ตีตานาคตะวาระอนุโลมบุคคลแปดสอนุสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดเคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหัตมรรมและอรหันตบุคคลบุคคลจักได้อรหัตมรรมในลำดับแห่งจิตใจในลำดับแห่งจิตนั้นสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิด แต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็จักเกิดปฏิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดจักเกิดสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดเคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพญญากริยของบุคคลนั้นก็จักเกิดใช่ไหมวิ บุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยปัจฉิมจิตสภาวะธรรมท horror, ี่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่สภาวะธรรมท vậy, stand, ี่เป็นอัพยกฤิไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้สภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤิก็จกเกิดปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤิของบุคคลใดจกเกิดสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่เก้าสอนุ สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดเคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิตสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตก็จกเกิดปฏิ สภาวธรรมที่เป็นอพยปกิศของบุคคลใดจะเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุโลมะโอกาต91อนุสภาวะธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดเคยเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมอนุโลมปุคะโลกาต92อนุสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิด สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหัตธรรมและอรหันตบุคคลบุคคลจักได้อรหัตัรรในลำดับแห่งจิตใจในลำดับแห่งจิตนั้นสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในจัตุวการภูมิและปัญจวการภูมิ สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็จะเกิดปฏิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดจักเกิดสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิเป็นไปอยู่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักเกิด แต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในจัตุโวการภูมิและปัญจโวคารภูมิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักเกิดและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็เคยเกิดอนุสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิของบุคคลใใ น, นั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยปัจฉิมจิต สภาวะธรรมที and, ่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่สภาวะธรรมที่เป็นอพยกริไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติย์ในจัตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและสภาวะธรรมที่เป็นอพยกฤิก็จกเกิดปฏิสภาวธรรมที่เป็นอพยกฤิของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิด สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิเมื่อจิต ด, ดวงที่สองของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทา ว, วาสภูมิเป็นไปอยู่บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอพยากฤดของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในจัตุตโวการภูมิและปัญจโวการภูมิ สภาวะธรรมที่เป็นอภยเกฤีของบุคลคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและสภาวะธรรมที่เป็นกุศลก็เคยเกิด93อนุสภาวะธรรมที่เป็นอกุศนของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอภยเกฤีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยปัจฉิมจิตสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิด แต่สภาวธรรมที่เป็นอัภยากฤิไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุปบัติอยู่ในจัตโวการภูมิและปัญจโวการภูมิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิก็จักเกิดปฏิสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิของบุคคลใดในภูมิใดจักเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศนของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิ เมื่อจิต ด, ดวงที่สองของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิเป็นไปอยู่บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตภูมิสภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ใน จ, จัตุวการภูมิและปัญจโวการภูมิสภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤิของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและสภาวะธรรมที่เป็นอกุศนก็เคยเกิด ปัจเจนียกะบุคคลเกสิสอนุสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดไม่เคยเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จกเกิดมีไหมวิไม่มีปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดไม่ใช่จกเกิดสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิเคยเกิดอนุสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดไม่เคยเกิด สภาวธรรมที่เป็นอภยากฤตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จกเกิดมีไหมวิไม่มีปฏิสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤตของบุคคลใดไม่ใช่จกเกิดสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิเคยเกิดเก้าสบห้าอนุสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดไม่เคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จกเกิดมีไหมวิไม่มี ปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอภยเกลฤฤีฤฤฤฤของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิเคยเกดปจเนกาโอกาส96อนุสภาวะธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดไม่เคยเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมปัจเนกะปุขะโอกาส97อนุ สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิเป็นไปอยู่สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตภูมิ สภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหันตมรรคและอรหันตบุคคลบุคคลจักได้อรหันตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้น สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุปาติอยู่ในอสศันยสัตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็ไม่เคยเกิดอนุสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอภยกากฤดของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหม วิจกเกิดปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จกเกิดสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิเคยเกิด98อนุสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิจกเกิดปฏิ สภาวะธรรมที่เป็นอพยกฤษตของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอุศสนของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิเคยเกิดอุปาทะวาระจบ วติวาระสองนิโรธวาระหนึ่งปัจจุปันนวาระอนุโลมบุคคลเกสอนุสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดกำลังดับสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดกำลังดับสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิไม่ใช่ อนุสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดกำลังดับสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกระดของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิในพังคขณะแห่งสภาวะธรรมที่เป็นกุศลในอรูปภูมิสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับแต่สภาวะธรรม ท, ท achte, ี่เป็นอ yani ัพยกฤะไม่ใช่กำลังดับในพังคขณะแห่งสภาวะธรรมที่เป็นกุศลในปัญจโวการภูมิสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับ และสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิตก็กําลังดับปฏิสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิตของบุคคลใดกําลังดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคล น, นั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติในพังค์ขณะแห่งจิต ท, ที่วิปยุจจากกุศลในปรวัติการสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิตของบุคคลเหล่านั้นกําลังดับแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่กําลังดับ ในพังคข้ขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลในปัญจโวกกรภูมสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็กำลังดับหนึ่งร้อยอนุสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดกำลังดับสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิในพังคขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในอรูปภูม สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับแต่สภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤิตไม่ใช่กำลังดับในพังคขณะแห่งสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลในปัญจโวการภูมิสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับและสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤิตก็กำลังดับปาติสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤิตของบุคคลใดกำลังดับสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิ บุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติในพังค์ขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากอกุศลในประวัติการสภาวธรรมที่เป็นอภยยากฤ็ของบุคคลเหล่านั้นกําลังดับแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่กําลังดับในพังคขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในปัญจโวการภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤ็ของบุคคลเหล่านั้นกําลังดับและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็กําลังดับอนุโลมโอกาสร้อยหนึ่ง อนุสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดกำลังดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมิใดกำลังดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดกำลังดับสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิใช่ปฏิ สภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤิตในภูมิใดกำลังดับสภาวะธรรมที่เป็นกุศลในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิในอาญญศัยสัตว์กระพูมิในภูมินั้นสภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤิตกำลังดับแต่สภาวะธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่กำลังดับในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิในภูมินั้นสภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤิตกำลังดับและสภาวะธรรมที่เป็นกุศลก็กำลังดับร้ 102. อสองอนุ สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลในภูมิใดกำลังดับสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤตในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤตในภูมิใดกำลังดับสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิในอสัญญสัตตภูมิในภูมินั้นสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤิดกำลังดับแต่สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่กำลังดับ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 แต่สภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิไม่ใช่กําลังดับในพังคะขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลในปัญจโวการภูมิสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังดับและสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิก็กําลังดับปาฏิสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิของบุคคลใดในภูมิใดกําลังดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติ ในพังคขณะแห่งจิตที่วิปยุทธแจกกุศลในประวัติการสภาวะธรรมที่เป็นอภย า, าลกลิ่ ข, งขววงองบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังดับแต่สภาวะธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่กําลังดับในพังคขณะแห่งสภาวะธรรมที่เป็นกุศลในปัญจโวการะภูมิสภาวะธรรมที่เป็นอภยากลิ่ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังดับและสภาวะธรรมที่เป็นกุศลก็กําลังดับร้อยสี่อนุ สภาวะธรรมที่เป็นอกุสลของบุคคลใดในภูมิใดกำลังดับสภาวะธรรมที่เป็นอพยากลิของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิในพังคะขณะแห่งสภาวะธรรมที่เป็นอกุสลในรูปภูมิสภาวะธรรมที่เป็นอกุสลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับแต่สภาวะธรรมที่เป็นอพยากลิไม่ใช่กำลังดับในพังคขณะแห่งสภาวะธรรมที่เป็นอกุศในปัญจโวการภูมิ สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลหเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังดับและสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากรก็กําลังดับปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากร ข, ของบุคคลใดในภูมิใดกําลังดับสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติในพังคขณะแห่งจิตที่วิปยุติจากอกุศลในปวัติการ สภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่กำลังดับในพังคขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในปัญจโวการภูมิสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็กำลังดับปัจจีเกบุคคลร้อหอนุสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับ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 ในอุปาทัขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในพังคขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากอกุศลและกุศลบุคคลผู้เข้านิโรธาสมาบัติและบุคคลผู้อุปาจุในอสัญญาสัตตภูมิสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้ น, นไม่ใช่กำลังดับและสภาวะธรรมที่เป็นกุศลก็ลไม่ใช่กำลังดับอนุสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤรของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหม บุคคนทั้งหมดผู้กําลังจุติในพังคขณะแห่งจิตที่วิปยุทธ์แจกกุศลในปวัติการสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับแต่สภาวะธรรมที่เป็นอภยญากฤิตไม่ใช่ไม่กําลังดับบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติในอุปาทคขณะแห่งจิตในปวัติการในพังคขณะแห่งสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลในอ <Mean> รูปภูมิสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับ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 ในพังค์ขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากอกุศลในประวัติการสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับแต่สภาวธรรมที่เป็นอพยากฤิไม่ใช่ไม่กําลังดับบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติในอุปาทาขณะแห่งจิตในประวัติการในพังค์ขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลในอรูปภูมิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับ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 วิไม่มีร้อยแปดอนุสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากริตในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิกำลังดับปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากริตในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็ไม่ใช่กาลังดับมีไหมวิไม่มีปจเน ก, ก, กาบุคโอกาดร้เก้า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 บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาศัยสัตวภูมิสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูม Euro ินั้นไม่ใช่กำลังดับและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็ไม่ใช่กำลังดับปฏิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูม Euro ิใดไม่ใช่กำลังดับสภาวธรรม ท, ที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูม Euro ินั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิในพังคขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศล สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับแต่สภาวะธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่ไม่กำลังดับในอุปาทขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในพังคคณะแห่งจิตที่วิปยุตจากอกุศลและกุศลบุคคลผู้อุบาติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับและสภาวะธรรมที่เป็นกุศลก็ไม่ใช่กำลังดับอนุ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 ในอุปะทะาทขณะแห่งจิตในประวติการในพังค์คณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในอรูปภูมิสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังดับและสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิ ก, ก็ไม่ใช่กําลังดับปฏิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิกของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิ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 รอยสิอนุสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังดับสภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤิของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติในพังคขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากอุสนในปวัติการสภาวะธรรมที่เป็นอกุศนของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังดับแต่สภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤิไม่ใช่ไม่กําลังดับบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติ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 ก็ไม่ใช่กําลังดับสองอติตะวาระอนุรลมบุคคลร้อยสิอดอนุสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดเคยดับสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิใช่ ปฏิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดเคยดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดเคยดับสภาวธรรมที่เป็นอัภยกฤิของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่เป็นอัภยกริของบุคคลใดเคยดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิใช่ อรอยสิบสองอนุสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดเคยดับสภาวธรรมที่เป็นอพยากลิของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่เป็นอพยากลิของบุคคลใดเคยดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิใช่อนุโลมโอการอยสิบสามอนุสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดเคยดับ สภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมิใดเคยดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดเคยดับสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตในภูมิใดเคยดับ สภาวะธรรมที่เป็นกุศลในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิในอสัญญสัตตภูมิในภูมินั้นสภาวะธรรมที่เป็นอพยากลิเคยดับแต่สภาวะธรรมที่เป็นกุศลไม่เคยดับในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิในภูมินั้นสภาวะธรรมที่เป็นอพยากลิเคยดับและสภาวะธรรมที่เป็นกุศลก็เคยดับรออนุสภาวะธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดเคยดับ สภาวธรรมที in ่เป sure. right? ็นอพยกฤิตในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิตในภูมิใดเคยดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิในอสัญญสัตตภูมิในภูมินั้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิตเคยดับแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศนไม่เคยดับในจัตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิในภูมินั้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิตเคยดับ และสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็เคยดับอนุโลมปุขคโลกาดร้ 115. อยสิบห้าอนุสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่เป uh ็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิ เมื่อจิตที่เป็นอกุศลดวงที่สองของบุคคลผู Kia, ้อุบัติอยู่ในสุทาวาสภูมิเป็นไปอยู่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่เคยดับบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในจัตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็เคยดับอนุสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับ สภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิเมื่อติดดวงที่สองของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิเป็นไปอยู่บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญยสัตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิกของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับ แต่สภาวะธรรมที่เป็นกุศลไม่เคยดับบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในจตัตุโวกรภูมิและปัญจโวกรพูมิสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและสภาวะธรรมที่เป็นกุศลก็เคยดับรอบ้อสอนุสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิใช่ปฏิ สภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤิตของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิเป็นไปอยู่บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาศัญยสัตตภูมิสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤิตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลไม่เคยดับบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในจัตุโวกรภูมิ และปัญจะโวการภูมิสภาวะธรรมที่เป็นอพยากลิตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลก็เคยดับปัจจีเกบุคคลร้อเจอนุสภาวะธรรมที่เป็นอคุสนของบุคคลใดไม่เคยดับสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับมีไหมวิไม่มีปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดไม่เคยดับ สภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับมีไหมวิไม่มีอนุสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดไม่เคยดับสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับมีไหมวิไม่มีปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิของบุคคลใดไม่เคยดับสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับมีไหมวิไม่มีร้อยสิบแปดอนุ สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดไม่เคยดับสภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤตของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับมีไหมวิไม่มีปฏิสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤตของบุคคลใดไม่เคยดับสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับมีไหมวิไม่มีปัจจนิกะโอกาตร้อสิบเอนุสภาวะธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดไม่เคยดับ สภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมิใดไม่เคยดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดไม่เคยดับสภาวธรรมที่เป็นอัพยกริตในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิเคยดับปฏิสภาวธรรมที่เป็นอัพยกริตในภูมิใดไม่เคยดับ สภาวะธรรมที่เป็นกุศลในภูมินั้นก็ไม่เคยดับมีไหมวิไม่มีร้อยยี่สิบอนุสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลในภูมิใดไม่เคยดับสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิตในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิเคยดับปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิตในภูมิใดไม่เคยดับสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็ไม่เคยดับมีไหมวิไม่มี ปัจเนียกระบุคโลการ้อยี่ส <pseudo> ิเ <Vietnamese> อ็ดอนุสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิเมื่ออกุศลแจิตดวงที่สองของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิเป็นไปอยู่สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับแต่สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่ไม่เคยดับ เมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิเป็นไปอยู่บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญยสัตต ภ, ภูมิสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็ไม่เคยดับปติสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิใช่อนุ สภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิเป็นไปอยู่บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญยสัตตภูมิสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับแต่สภาวะธรรมที่เป็นอาาัพยกฤิตไม่ใช่ไม่เคยดับบุคคลผู้กำลังอุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิ สภาวธรรม no. ที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับและสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิตก็ไม่เคยดับปฏิสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิตของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคลคล น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช<น S>่ไหมวิใช่ร้อยยีอนุสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับ สภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤิตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิเป็นไปอยู่บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิสภาวะธรรมที่เป็นอกุศนของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับแต่สภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤิตรไม่ใช่ไม่เคยดับบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิสภาวะธรรมทีททท่เป็นอคุสนของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับ